มีเรื่องหนึ่งในคาถาธรรมบทด้วยแล้วก็ในเปตะวัฑหุด้วยในอังกุระเปตะวัฑหุสมัยนั้นก็มีเทพผู้บุตรองค์หนึ่งนะตอนที่พระองค์เสด็จไปที่สวรรค์ชั้นดาวระดึงไปเพื่อแสดงอาพิธามปิดก mm hmm. ก็มีเทพบุตรองค์หนึ่งเนี่ยนะมานั่งใกล้ๆพระพุทธเจ้ามาถึงก็รีบเรียมาก่อนเพื่อนเลยอยากใกล้พระพุทธเจ้าก็เลยมากราบมาไหว้ทักทายกับพระองค์นิดหน่อยทียนี้เทวดาก็ทยอยมา เทนะวดาอีกองคหนึ่งก็มาด้วยกันเหมือนกันก็มามานั่งใกล้ๆกันเนี่ยเรียกว่าอินทากะกับอังกุระฝ่ายอังกุระเนี่ยนะพอเทวดายิ่งมาขึ้นตัวเองก็ถอยถอยถอยถอยมันถอยโดยอัตโนมัติว่าวั้นเพราะว่ามันวัดกันที่รัศมีวัดกันที่รัศมีนั้นถ้าเทวดาที่มีบุญมากเดินเข้ามาเทวดานั้นถอยโดยธรรมชาติเรียกว่าถอยโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นพอพระพุทธเจ้าประทับนั่งผ่านไปเทวดามา ทั่วมื่นจักรวาลเนี่ยนะอังกุระเทพบุตรเนี่ยไปสักไกลลิฟเลยห่างกันเป็นหลายโยต์เลยนะไม่รู้กี่ร้อยกิโลวังไปไกลลิบเลยพุทธเจ้าและอินทกาศเขาก็นั่งอยู่ที่เดิมองค์ก็ถามว่าในอดีตทําอะไรมาทําบุญอะไรมาทําไมจึงต้องถอยร่นไปอย่างนั้นจริงๆแล้วอังกุระเทพบุตรเนี่ยทำทานเนี่ยมากเลี้ยงดูคนทั้งทั่ทวชมพูทวีปเหมือนกัน แล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่เลี้ยงดูแค่มือสองมือนะเลี้ยงดูจนแทบจะหมดอายุอ่ะคือเขาเนี่ยเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นพ่อค้าแต่กษัตริย์ต้องส่งสวยเขาเขาเป็นเป็นกษัตริย์เหมือนกันทีนี้พี่น้องมีหลายคนมากก็เลยเขาก็แบ่งสมบัติก็เลยเอายกให้พี่ให้น้องหมดเลยแต่มีข้อแม้ว่าพี่น้องต้องส่งบรรณาการให้นะพี่น้องเขาก็ต้องการแผ่นดินกันนะนะ อังกุระก็ไม่ไม่ต้องการครองราชแต่ว่าพี่น้องสองสวยให้แล้วการให้ภาษีให้กันแล้วการคนละส่วนคนละส่วนแล้วเป็นพ่อค้าที่เก่งมากค้าขายร่ารวยร่ำรวยเสร็จเอ๊มีทรัพย์เยอะแยะทายําไงดีก็ตั้งโรงทานเนี่ยนะยาวเหยียดเลยเตาหุงข้าวนี่ยาวเหยียดเลยแล้วก็ทําอย่างเงี้ยในท่านเกิดในสมัยคนอายุเป็นหมื่นปีเนี่ยนะทำบุญเป็นหมื่นปีตั้งแถาเตาเนี่ยเรียงแถวห่างเป็นกิโลใช่หรือกว่า สู้อินทกาเทพประบุ ท, ที่ที่ไม่ได้ไปไหนนั่งอยู่ใกล้ๆใสบาดผ้านรุธะครั้งเดียวเนี่ยนะว่าทําบุญกับผ้าหันกับทําบุญกับคนมีกิเลสเนี่ยมันก็เหมือนอย่างว่าถ้าเปรียบธรรมดานะคุณจะให้อาหารปลาสามบอ่บอบ่มันจะใหญ่เต็มขนาดไหนถ้าเลี้ยงข้าวคนหนึ่งมือเนี่ยนะได้บุญมากกว่า น, นั้นเยอะเนี่ยนะถ้าถ้าเปรียบเทียบหมายความว่าเลี้ยงอาหารคนหนึ่งคนให้อิ่มหนำเนี่ยนะกับเลี้ยงปลาทั้งบ่ บอกเลี้ยงอาหารคนหนึ่งมือเนี่ยนะได้บุญมากกว่านั้นเยอะเนี่ยนะบางคนก็สงสยัยอ้าวแล้วทำไมท่านชอบให้อาหารปลาบอกว่าเวลานึกถึงปลาจะได้ไม่นึกถึงบาปก็เลยให้ทานไว้ก่อนเียไปปิดอบายไว้แถวๆนั้นหน่อยแค่นั้นเองนะนั่นคือวัตถุประสงค์หลักเหมกนกันจะได้นึกถึงปลาและจะได้ไม่จะได้นึกถึงเออเคยให้ทานอาหารปลาไว้แล้วเนี่ย น, ะนึกถึงปลาจะได้ไปดีกับเขามั่ง ก็เลยให้อาหารปลาไปไม่กี่ร้อยกระสอบเองนจะได้นึกถึงวันหลังปลามันก็เยอะจริงๆเลยนะนึกถึงโอ้โหถ้าตกไปอยู่ในท้องปลาแล้วจบเพลเลยเนี่ยทําอะไรได้ที่อยู่บ่อ น, น้ําข้างประตูพระไตรวิดกก็อ่านพระไตรวิฎ ก, ก, มกไม่ได้พระธาตุมาก็ไม่ได้ไหวยพระธาตุแล้วก็ดูสิตอนที่พุทธมนฑนใช่ไหมที่พุทธมนฑนเขาเอาพระเที่ยวแก้วมาจากเมืองจีนมาประดิษฐานที่วิหารหนึ่งเห็นประดุกประช่อนขึ้นมาไหว้พระธาตุบ้างไหม ไม่มีรอกมันแต่แหวะพอกรีดอาหารแค่นั้นแหละมากันพุ่บพรับไปหมดเลยนะอันอบายภูมิเนี่ยมากอย่างนั้นเพราะฉะนั้นหลุดไปสู่อบายแล้วก็ยากนะนะพันธะ ถ, ถ้าเปรียบเทียบแล้วเนี่ยผ้ า, าหันเนี่ยเป็นผู้ที่มีคุณธรรมถ้าเปรียบกับปุตุชนเนี่ยนะปุตชชนทั้งโลกก็มีคุณธรรมเศษจเสี้ยวไม่ได้ถ้าห่างกับเทียบพระโสดาบันนี่ห่างกันนักแลพระโสดาบันจะมีเป็นร้อยเป็นพันก็ยังไงก็ไม่ถึงคุณธรรมของระดับผ้ า, าหาันนั่นเขามีการวัด วัดวัดกันด้วยคุณธรรมวัดกันด้วยสาระและแก่นสารเหมือนอย่างว่ามีต้นหญ้าประมาณพันเนื้อที่พันไร่มีแต่หญ้าธรรมดาเนี่ยนะถ้าเทียบกับไม้สักต้นหนึ่งอะไรจะพอจะมีค่ากว่ากันไม้สักต้นเดียวมีค่ากว่าทั้งๆ้ ท, ง ท, งที่ป่าหญ้าคาเป็นร้อยไร่อ่ะนะมันก็ไม่ได้มีประโยชน์เท่ากับไม้สักต้นเดียวอะไรหรอกเพราะฉะนั้นมหาการหมู่สัตว์ทั้งหลายนี่ก็เหมือนกับ ย่าๆธรรมดาทั่วๆไปนั่นแหละเหมือนกับมดแมลงปลวกเนี่ยนะผีเสื้อมันจะมีเป็นร้อยเป็นพันมันก็ไม่ได้ใหญ่เท่าช้างตัวหนึ่งหรอกนะช้างตัวเดียวก็มีค่ามากกว่าแล้วเนี่ยนะมันในหมู่ปุถุชนทั้งหลายถ้าเทียบกับผ้าริยะนั้นเจือห่างกันนักแลต่อไปว่าพร ะ, น, พระนราสพระพระผู้อ ง, งอาจในหมู่นรชนพระองค์นั้น นระก็คือคนทั้งหลายอาสะก็คือผู้องค์อาจผู้แกล้วกล้ า, ลาผู้เป็นหัวหน้านะพระผู้องค์อาจกล้วกล้าเป็นหัวหน้าคือคือพระพุทธเจ้านารถพระองค์นั้นเนี่ยพระองค์สร้างสะพานธรทำอาวอย่างมั่นคงสะพานคืออริยมรรคสะพานคืออธิศีลอธิ จ, จิตและอธิปัญญาสะพานเพื่อข้ามจากวัตฏะสู่วิวัฏฏะสะพานที่ข้ามจากสังคตะสู่อสังคตะสะพานของพระองค์มั่นคง เพื่ออย่างผู้ปฏิบัติที่เหลือให้ข้ามกระแสสังสารวัตเมื่อพระองค์ทําหน้าที่สร้างสะพานธรรมคือไตรสิกขาสร้างสะพานคือพระไตรปิฎกเสร็จแล้วก็ดับขันทปรินิพานเห็นไหมสร้างสะพานเสร็จแล้วก็ปรินิพานเพราะว่าอย่างพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยสร้างสะพานคืออริยมรรคมเสร็จแล้วพระองค์ก็ดับขันปรินิพานอย่างของเราเนี่ก็มาศึกษาเพื่อทอดสะพานเดินตามสะพานที่พระพุทธเจ้าวางเอาไว้เนี่ยนะ พระพุทธเจ้าผู้เสมอด้วยพระพุทธเจ้าผู้ที่ไม่มีผู้ใดเสมอพระองค์นั้นก็ดีพร้อมทั้งสาวกก็ดีก็อันตรธานไปสิ้นแล้วผ่านพ้นไปเมื่อหนึ่งอสงไขยแสนกับบัตรนี้ถ้าไม่อ่านพุทโธวงไม่เหลือแม้แต่ชื่ อ, อ น, นะพระนามว่านารทานเนี่ยนะมีอยู่สามคัมภีร์เท่านั้นเองที่พอจะอ่านได้คือมีอยู่ในคัมภีร์อัทธาสาลินีอัตถกาถาธรรมสังขินีปรกรณ์มีในอัตถกาถา อัอปทานเนี่ยนะมีอยู่เล่มเจ็ดสิบห้ามีอยู่เล่มเจ็ดสิบแล้วก็มีอีกเล่มหนึ่งคือเล่มพุทธวงศ์เนี่ยนะก็เจ็ดสิบเจ็ดิบสามก็เจ็ดบห้ามีอยู่สามเล่มที่กล่าวถึงที่เหลือไม่มีเลยน้อยมากเว้นแต่ใครแบบนโมเมสพะพุทธานังอะไรที่ชอบสวดอะไรนะนอบน้อมพระพุทธเจ้า28พระองค์อะ่ะอาจจะได้ยินบ้างเนี่ยนะอาจจะพอได้ยิน นิยมเขมาเมื่อวานเขาชอบน้อมน้อมพระพุทธเจ้า28พระองค์นะก็คือขึ้นต้นเหนือณโมเมสัพพุทธานั่งอะไรงี้ยนะก่อนนิยมสวดกันไปพระนารทพระพุทธเจ้าพระองค์ผู้เป็นพระชีนะผู้ประเสริฐเสด็จดับขันทัพปรินิพานณกรุงสุทัศนะพระพุทธเจ้าของเราก็ปรินิพานที่เมืองกุสินาราใช่ไหมอดีตเป็นเมืองในอดีตของพระพระราชาพระนามว่าพระเจ้าสุทัศนะ นะคล้ายๆกันนะนี่ก็เหมือนกันที่เมืองสุทัศนะแปบลบว่าเมืองที่เห็นเห็นดีเห็นสวยเนี่ยนะเมืองที่ดูสวยนั่นเองพระสัทวูปเจดีที่ประดิษฐานของพระองค์ในสูงสี่โยน์แสดงว่าไม่ได้อธิษฐานให้พระาธาตุกระจายพระเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายร่วมสร้างเจดีสี่โยน์อยู่ณนะที่นั้นแล ในอัธกถาพันนาวงของพระนรัะพุทธเจ้าที่เก้าในมธุรัฐวิลาศีกล่าวว่าเมื่อพระปทุมุตระพุทธเจ้าเอ่อข้าไปเมื่อพระปทุมะพุทธเจ้าปรินิพานาศาสนาของพระองค์ก็อันตรทานไปมนุษย์ทั้งหลายที่มีอายุร่วมแสนปีเนี่ยนะก็อายุน้อยถอยลงลดลงโดยลำดับเรียกว่าขาลงอ่ะนะ เหมือนเดินขึ้นเขาเนี่ยขาขึ้นกับขาลงอันนี้อยู่ระหว่างขาลงจากแสนปีก็ค่อยลดลดลดลดลดลดลดเทดานเหมือนลดเพดานบินยงนะลดไปเรื่อยๆจนเหลือ10ปีนี่นะแล้วก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอีกจนถึงอายุเป็นอสงไขยปีแล้วก็ลดเหลือประมาณเ0 0 0หปีนะก็เหมือนเดินไต่เขาอนขึ้นเขาลงเขาไปยังไงนะ ครั้งนั้นพระาศาสดายอดนระศัตว์เนี่ยนะก็คือยอดของสัตว์สุดยอดของบรรดาสัตว์ที่เป็นมนุษย์ทั้งหลายพระนามว่านารทะผู้ทรงกำลังสิทศพล า, าสิ0มีวิชาสาผู้ก ล, กล้าด้วยเวสารชายานสี่ผู้ประธานวิมุตติสาระให้แก่นสารคือวิมุตติอุบัติขึ้นในโลกนะพระ อ, องค์มีกำลังกายเนี่ยเท่ากับช้างานะหลายแสนเชือกเหมือนกันน่ มีกำลังปัญญาคือทศพลยาน น, นมีวิชาสามรู้อดีตทั้งหมดรู้อนาคตไม่มีส่วนเหลือแทงตลอดปติดจกสมุบบาทโดยไม่มีข้อสงสัยเ น, น, นี่ยนะพระองค์แก้วกล้าด้วยเวสารัชยานสี่เป็นคนที่องอาจไม่มีความรั้นคลัาเป็นคนที่อยู่ด้วยปีติโสมนัสตลอดไม่มีคำว่าอะไรนะง้อยมีเหตุการณ์ที่แบบน่าสะพึงกลัวตกใจหวั่นไหวไม่มี มีแต่คำว่าเวสารชะเนี่ยนะเวสารชะโดยศัพ์แปลว่ากล้ากล้าหมายถึงว่าอยู่ด้วยโสมนัสคนที่อยู่ด้วยโสมนัสตลอดแปลว่าไม่กลัวอย่างพระพุทธเจ้านี่อยู่ด้วยโสมนัสเช่นเพราะอะไรใครจะต่อว่าอะไรแล้วให้พระองค์ลำบากใจไม่มีพระองค์บอกว่าไม่มีใครมาบอกว่าพระองค์เนี่ยนะปฏิญาณตัวว่าเป็นสัมมาสัมพุทธมีบางเรื่องที่ท่านไม่รู้ไม่มีใครกล้าทักท่วงโดยธรรม ข้อที่หนึ่งนะข้อที่สองไม่มีใครมากล้าทักท้วงอย่างโดยธรรมโดยถูกต้องว่าท่านปฏิญาณว่าท่านเป็นพระอรหันต์นะแต่ท่านยังเหลือกิเลสอยู่บ้างอันนี้ก็ไม่มีปฏิญาณโดยธรรมกล่าวโดยธรรมและใครมาบอกว่าธรรมะที่พระองค์สอนไม่สามารถนำออกจากทุกได้จริงอันนี้ก็พูดไม่ได้และก็อันที่สาอันที่สี่ พระองค์บอกว่าสิ่งใดเป็นอันตรายสิ่งนั้นไม่เป็นอันตรายแก่ผู้เสพได้จริงอันนี้ก็ไม่ใช่เพราะว่าถ้าสิ่งใดพระองค์บอกว่ามันอันตรายมันก็อันตรายจริงๆเช่นอนันตริยกรรมห้าหรืออันตรายยึดกระทำห้านี่เป็นอันตรายซึ่งก็เป็นอันตรายจริงๆมันพระองค์จึงถึงความเป็นผู้กล้าอยู่อย่างสง่าผ่าเผยอยู่อย่างมีความสุข มันพระองค์นั้นก็บำเพ็ญบารมีมาสี่อสงไขยแสนกับแปลว่าพระองค์เป็นปัญญาที่กะพุทธเจ้าหลังจากที่พระองค์ได้ให้ทานเช่นกับพระเวสสันดรก็ไบบังเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตจุติจากดุสิตก็ถือปฏิสนธิในพระคันของพระนางอนุมาเทวีผู้มีพระโฉมไม่มีที่เปรียบอักระมหสีในราชสกุลของพระเจ้าสุเทวะ วาสุเทพเนี่ยนะพระเจ้าสุเทวะวาสุเทพแห่งวิริยารัตของพระองค์เกิดที่เมืองกรุงทัญบุรีวาสุเทพเนี่ยนะแปลว่าที่อยู่ของเทวดาหรือที่อยู่ของพระราชาพระองค์นั้นชื่อว่าเมืองทัญบุรีอยู่ในพระคันครบถ้วน10เดือนพระองค์ก็ประสูติจากพระคันของพระชนนีณทนานชัยราชุทยานคือพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เนี่ยถือว่าเกิดในป่า ตรัสรู้ในป่าประทับอยู่ในป่าปริณิพ่านในป่าเนี่ยนมันก็อุทยานก็คือป่าสวนน่ยนะแต่เป็นป่าที่น่ารื่นรมก็เลยเรียกว่าอุทยานหรือเรียกว่าสวนในวันเฉลิมพระนามขนานชื่อเรียกชื่อเมื่อกําลังเฉลิมพระนามเครื่องอาภร์ทั้งหลายที่สมควรแก่การใช้สอยสําหรับมนุษย์ทั้งหลายทั่วชมพูทวีปก็หล่นจากต้นกลาบประพฤกเป็นต้นทางอากาศเนี่ยนะเขาเหมือนกับว่าฝนเครื่องประดับตกมาจากอากาศเหมือนกัน ด้วยเหตุนั้นเขาจึงถวายเครื่องอาภรณ์ทั้งหลายที่สมควรแก่นรชนทั้งหลายแด่พระองค์เพราะฉะนั้นพวกโหรและพระปยุรญาาก็เลยขนานพระนามพระองค์ว่านารทะเนี่ยนะพระพระพุทธพระนารทะก็พระโพธิสัตว์ของเราเนี่ยนะในอดีตชาติเคยมีพระนามว่านารทะเหมือนกันนะพรมนารทกับสปะชาดกเนี่ยนะก็มียุคชาติหนึ่งก็เคยมีพระนามว่านารทะ พระโพธิสัตว์นารทะนั้นครองคารวาตวิสัยอยู่ประมาณ 9,000 ปีมีปราศาสตร์สมหลังเหมาะแก่สามโดยดูชื่อว่าวิชิตาวิิตวิิตาวีและวิชิตาพิรามะพระชนกชนนีได้ทรงทขัติยะกัญญานางกษัตริ์ผู้มีบุญอย่างยิ่งนามว่าวิชิตเสนาผู้ถึงพร้อมด้วยสกุลมีศีล า, ารยาวัตรหมายความว่าเป็นคนที่สกุลสูง มีความประพฤติ ท, ที่เรียบร้อยดีและก็มีรูปงามถึงพร้อมด้วยรูปประสมบัตนะให้เป็นอัคราเมหสีแก่นารทกุมารนั้นคําว่ากุมานนี่หมายถึงว่าชายหนุ่มนะกุมานนี่หมายถึงชายหนุ่มพระสนมนารีจํานวนประมาณแสนสองหมื่นนางที่เป็นหญิงฟอ้อนเนี่ยนะมีพระนางวิจิตาเสนาเป็นประธานเมื่อนันทุตระกุมานนะนะโอรสผู้ทําความบันเทิงใจแก่ลูก ของพระนางวิชิตตเสนาเทวีนั้นประสูตรแล้วพระนาระทะโพธิสัตว์นั้นก็เห็นบุคนิมิต4ประการเห็นคนแก่ท่านก็คิดมากเลยนะพระโพธิสัตว์ทําไมเป็นคนคิดมากขนาดนั้นก็ไม่รู้นะเห็นคนแก่แล้วก็คิดมากนะเห็นคนป่วยก็คิดมากเห็นคนตายก็ยิ่งคิดมากทนไม่ได้แล้วเห็นคนตายแล้วอ่งางเงนะในที่สุดเห็นนะักบวชออกเลยอย่างเงบวชเลยเพราะอะไรเพราะว่าอินทรีย์บารมีนั้นถึงความแก่กล้าแล้วเนี่ยนะ ของสัตว์ทั้งหลายที่ไม่ได้สั่งสมบุญมาอยะว่าเห็นคนแก่เลยตัวจะแก่ใจก็ไม่ยอมเหมือนกันะตัวจะแก่ขนาดไหนใจก็ไม่ยินไม่ยอมเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าไม่ได้สั่งสมบุญอะไรมาเนี่ยนะแต่แต่ถ้าคนสั่งสมบุญมาเนี่ยนะถ้าเป็นเด็กๆเกนี่ยเห็นคนแก่เนี่ยก็เดือดร้อนแล้วเนี่ยนะเหมือนใครนะเหมือนพระเรวต ะ, ระเรวตะเนี่ยเป็นน้องคนเล็กของภาษาดิบุตรภาษาริบุตรนั้นในครอบครัวนี่มีพี่น้องอยู่เจคนด้วยกัน คนที anyway, here, ่หนึ่งก็ภาษารีบุตรเนี่ยนะรองๆองลงมาก็เช่นพระอุปเสนวังคันตบุตรภาษารีบุตรมีชื่อตามแม่พระอุปเสนมีชื่อตามพ่ออานาารีบุตรกับอุปเสนณวังคันตบุตรเนี่ยนะลูกของวังคันตพรามภาษารีบุตรมีแม่ชื่อว่านางสารีมีพ่อชื่อว่าวังคันตพรามแล้วก็มีพี่น้องชายพี่น้องหญิงรวมเนี่ยนะเป็นเป็นชายซะมีชายสี่คน ชายสี่คนก็คือพระสารีบุตรพระอุปเสนพระจุนทะแล้วก็พระเรวตะเนี่ยนะพระเรวตะเป็นน้องคนเล็กน้องคนเล็กเนี่ยหลังจากที่พี่ๆเข้าบวชกันหมดเป็นพระอรหันต์กันหมดแล้วเนี่ยนะทีนี้มันก็เหลืออยู่คนเดียวอายุประมาณเจ็ขวบเนี่ยแม่ก็คิดว่าเออเนี่ยเดี๋ยวอนาคตลูกของเราบวชกันหมดแน่จับแต่งงานเลยดีกว่าเหมือนกันก็เลยเขาคนแข่งนี่ก็จับแต่งงานตั้งอายุนิดน้องเนี เจ็ไปบางทีแต่งงานนั้นก็ไม่เคยเห็นหน้ากันเลยมั่นกันไว้อะไรกันไว้แล้วก็แยกกันไปเรียกพออีกฝ่ายก็ช่วยกันเลี้ยงดูโตแล้วให้ไปอยู่ด้วยกันเนี่ยนะแขกเขานิยมทําแบบนั้นนี่ก็พอจับแต่งงานอายุ7ขวบนี้พอวันถึงวันวันแต่งนะวันรถน้ําอะไรก็ว่ากันไปตามภาษาของชาวโลกที่แต่งงานก็ให้คุณยายคนหนึ่งอายุร้อยยปีถือไม้เท้ามานะคุณยายของเด็กหญิงคนนั้นแหละมาให้รถน้ําสัง แล้วทุกคนก็ร่วมกันให้พรอ ข, อขอให้เธอครองเรือนอยู่อย่างนี้เนี่ยนะภาษาไทยก็จะถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรแก ง, ง่อมกันทั้งคู่นั่นแหละเหมือนใครก็บอกเหมือนคุณยายอายุร2อยินี่แหละทีนี้พระเรวตาที่ท่านท่านฉลาดมากันก็คิดเลยตอนนั้นน ะ, นะเด็กอายุ7ขวบนะคิด เอาแล้วนี่เด็กหญิงคนนี้ต่อไปนะเธอจะแก่เหมือนคุณยายคุณยา่าคุณทวดคนนี้ใช่ไหมก็ใช่อ่ะสิเพราะฉะนั้นขอให้เธอทั้งสองครองเรือนกันอยู่จนอายุขนาดนี้ท่านก็ น, นึกได้เลยมีหน้าละพี่ชายเราบวชหมดเนี่ยนะ พ, พี่เราบวชหมดก็อย่างนี้เลยโอ้ยอยู่ไม่ได้แนละ้ววันนี้คือวันบวชของเราเนี่ยนะแล้วก็ตัดสินใจเด็ดขาดตอนที่กําลังเข้าพิธีแต่งงานนั่นแหละเสร็จแล้วก็พอแต่งงานเสร็จเขาก็ส่งเจ้าสาวเนี่ยไปอยู่บ้านเจ้าบ่าว ระหว่างที่กําลังเดินทางกันเนี่ยแผนแผนบวชนี่ก็เริ่มเกิดขึ้นเขาเขาเามีคนคุมเข้มมากกลัวท่านเจ้าบวชนะเขาเขาก็รู้อยู่แล้วห่วงอยู่แล้วว่าลูกคนนี้แหมเปอร์เซ็นต์มันบวชมันก็เยอะนะเขาก็เลยให้คนใช้เนี่ยดูแลไม่ให้คลาดสายตาเลยเอย๊จะทํายังไงจะได้ออกบวชท่านก็คิดเริ่มคิดพอออกจากบ้านเจ้าสาวกลับมาบ้านตัวเองนี่ก็เริ่มท้องเสียละ ท้องเสียครั้งที่หนึ่งอ่ะก็กลับมาท้องเสียครั้งที่สองครั้งที่สมท้องเสียอะไรกันนักหนาก็ไม่ทราบเลยนะจนคนเนี่ยเลิกว่าโอ้ยท้องเสียเดี๋ยวก็กลับมานะครั้งเนี้ยครั้งหลังสุดท้องเสียหายไปเลยกันเนี้ยเสียจริงๆเลยนะฮ่าเงียบไปแล้วก็หนีไปไกลมากอ่ะนะทีนี้พระสารีบุตรเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าน้องชายตัวเองยังไงก็บวชก็เลยได้สั่งพระพิสดุจทั้งหลายว่าถ้าน้องชายของข้าพเจ้ามาเนี่ยท่านทั้งหลายให้บวชเถอะ เดี๋ยวข้าพเจ้าถือว่าอยู่ในฐานะบิดามารดาอนุญาตแล้วเพราะคอยให้แม่อนุญาตเป็นไปไม่ได้เนี่ยนะตอนท่านจะไปนี่พานแม่ยังไม่ค่อยจะเห็นด้วยเลยอ่างนั้นเพราะฉะนั้นให้แม่อนุญาตไม่ได้บวชแน่ก็เลยบอกว่าถือว่าข้าพเจ้าเป็นพ่อเป็นทั้งพ่ อ, เ ป, พอเป็นทั้งแม่ก็แล้วกันก็เลยสั่งให้ให้บวชน้องชายท่านก็บวชไม่ไม่นานนะภายในพรรษาก็บรรลุปเป็นพระอรหันต์เป็นเอตทคะเลิศกว่า อยู่ป่าทุกชนิดเพราะท่านป่าปกติเนี่ยใครก็จะเลือกป่าที่น่ารื่นรมใช่ไหมแต่พระเรวตตาเนี่ยไปเลือกเอาป่าที่ใครก็ไม่อยากไปอ่ะเรียกว่าป่าสแกนเนี่ยนะเป็นป่าที่ไม่ได้น่าอยู่อะไรเลยเนี่ยนะแต่ก็เลยเป็นเลิศทางอยู่ป่าแต่ถ้าไปอยู่ป่าที่น่ารื่นรมก็ไม่น่าอัศจรรย์อะไรเพราะใครก็อยากอยู่อยู่แล้วใช่ไหมแต่ไปอยู่ป่าที่ไม่น่าสนใจเนี่ยนะท่านแต่ท่านก็อยู่ได้เนี่ยนะก็เลยเป็นเลิศทางการอยู่ป่า นคนที่สั่งสมบุญมาพร้อมที่จะเห็นอริยสัจเนี่ยเห็นอะไรก็น้อมไปเพื่อใคร่ครวญอริยสัจเนี่ยนะพอเห็นอะไรนิดๆหน่อยๆก็เห็นแล้วนะนะอย่างว่าคนมีบุญถึงเป็นเด็กเป็นเล็กเด็กน้อยเห็นคนแก่เห็นคนป่วยเห็นคนตายเห็นอะไรก็คิดมากน้อมไปเพื่อการ ตรัสรู้แล้วเนี่ยนะแต่ถ้าหากว่าคนที่ไม่ได้สั่งสมบุญมาอายุมากกลายเป็นทารกเข้าไปทุกทีทุกทีทุกทีเนี่ยนะมันห่างกันอย่างนี้แหละคนมีบุญกับไม่มีบุญเนี่ยต่างกันมากนีนะอันฝ่ายพระโพธิสัตว์ผู้สั่งสมบุญบารมีได้รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้ามาแล้วสี่อสงไขยแสนกับพอเห็นนิมิตสี่เห็นคนแก่เห็นคนป่วยเห็นคนตายแล้วก็เห็นนักบวชทั้งๆ ท, ที่วันนั้นเป็นวัน เห็นหน้าลูกชายด้วยพร้อมด้วยจัตุรงค์ขาเจตุรงคเสนาทัพใหญ่เรียกว่าเสนาอันประกอบด้วยกองทัพสีเหล่านี่นะแวดล้อมพระองค์ทรงเครื่องนุ่งห่มอันที่เบาดีสีต่างๆสวมกุนทนมณีมุกดาหารทรงพาหุรัฐมงกุฎและทองพระกรเป็นอย่างดีประดับด้วยดอกไม้กลิ่นหอมอย่างยิ่ง ดำเนินด้วยพระบาทสูรพระราชอุทยานเปลื้องเครื่องประดับทั้งหมดหมอบไว้ในมือพนักงานรักษาคลังหลวงเหมือนกับใครเหมือนกับอย่างพระพุทธิษสนของเราก็มอบเครื่องประดับให้กับนายฉันนามาตเนี่ย